ได้รับศีลแล้วทานแล้วศีลแล้วก็ภาวนาทานศีลบุญทั้งตัวตรงๆงมือท้ายวางบนตักมือขวาทับมือท้ายรับตาเบาๆปิดหูท้ายหัวปิดตาสองข้างปิดปากซะบา้างแล้วนั่งดูบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ลมดูลมเข้าลมออกเห็นบุญก็เห็นลม เห็นเห็นลมก็เห็นบุญเห็นบุญก็เห็นใจใจอยู่ที่ลมดูลมเข้าลึกๆดูลมออกยาว ไม่ใช่ว่าบาแปกหามฟังถอนสติออกตกมือเกินไปศีรษะแล้วฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เจ้าสอนให้ญาติโยมทาอะไรทานศีลบุญตันนี้ประเทศไทยได้แต่ทาน ม, น, นมันศีลมันพระบ้านนั้นมีร้อยลังคามีคนเข้าวัดไม่ถึงสิบคนเห็นไหม เหลือยู่อางเดียวคือทานแหะทุกวันศีลกับภาวนาเนี่ไม่มีเลยเมื่อเวลาขาดการภาวนาไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเมื่อเวลาไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรคําพูดโกหกตนเองไปวัดไปทําบุญไปวัดไปทําบุญแต่เอาของไปถวายพระให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญทานทาวหน้าโ่ชนะอาหาร สำหรับร่างกายเครื่องรุ่งเครื่องหอม่มสำหรับร่างกายที่อยู่อาศัยสาหรับร่างกายจะรักษารโรคสําหรับร่างกายใจละ่ะให้อะไรไม่ค่อยดูใจกันเลยเวลาเสียชีวิตสังขาร่างกายเลี่ยงมากๆได้เอาไปด้วยไหมผมก็ปด้วยไม่ได้สักเส้นเล็บราคาแพงๆเดี๋ยวนี้ลูกหลานสามสีสีเล็บมือเล็บเดียว ผมขนเล็บฟันหนังมีแต่ดัดมีแต่แป้งมีแต่ปูมีแต่แต่งแต่งเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เผาที่งหมดหลังขาดร่างกายไม่เที่ยงเสร็จแล้วแกเก็บตายไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินแหละไม่ได้ทำบุญไม่มีหูทิพย์มีแต่หูกระทะมีแต่หูกิเลสไม่พูดหูหนึ่งเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องทำบุญ ทำบุญทำให้จิตนิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทาไมไม่ดูบ้างอาหารใจทําไมไม่ให้บ้างอาหารใจให้ไปทำไมตังขาร่างกายให้เท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายใจไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่มีปัญญาละเขาเชื่ออะไรก็ทําตามเขาพูดอะไรก็ทําตามน่นไม่รู้บาปไม่รู้บุญเพราะไม่เคยทําบุญนะ เมืองไทยเมืองพุทเมืองไทยเมืองพุทธเขาลำแข็งรวยไปเที่ยวเมืองไทยโกงเขาคดโกงเขานะเขาสวยเขางามข่มขืนเขาขมขืนแล้วมันแล้วฆ่าอีกปิดปากว่าวไหนล่ะเอาไปพึ่งร่มโพล่มไทยพระพุทธศาสน า, ษ า, ษ า, ษาปานาแปลว่าอะไรอธินาแปลว่าอะไรมีแต่เพียรเรื่องศิลเรื่องธรรมเมืองศิลเมืองธรรมมีแต่ศิลธรรมอยู่ในตู้ ศีลทำอยู่ในใจไม่มีศีลทำอยู่ในตู้ไหนจะสู้ศีลทำอยู่ในใจรู้จักไหมไม่เคยดูใจไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ร่ํารวยบุญอยู่ที่สวยงามเหมือนโลกกิยะสุขนั่นละ่ะมอดเราลกใหญ่ร่ํารวยกับสวยงามนะถ้าไม่คิดดูดีๆถ้าอยากรู้ถ้ารู้นรกเราก็รู้สวรรค์ละที่นี่เคยดูไหมสวรรค์สวรรค์นนในอกนรกในใจไม่ต้องไปหอหาหรอก ให้หาอยู่ที่ใจเห็นไหมเมื่อพา ด, ดูเมื่อกี้หนึ่งนาทีนั่นเห็นสวรรค์ก็เห็นบุญเห็นบุญก็เห็นใจนะนั่นแหละอาหารใจไม่ได้ซื้อจากบาทรทำไมไม่ได้ทำหละ่ะมาจากประเทศไทยไมาอยู่ที่นี่อะไรล้ำรวยสวยงามล้รวยสวยงามจะถามดูปัจจัยมีเท่าไหร่มาอยู่กี่เปีแล้วโยมไม่มีหลวงปู่นั่นเห็นไหมจะหาให้เลี่ยงเลีบหาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้ว โยเฉพะไปเมืองเราดูสิพิธีกรรมทางพระศาสนาเชิญอด้โดมจุดูตจุดเทีย น, นเชิญได้โดมยสยวดนักทานเชิญไดมตรวจน้ําี่แหละ ท, ลละะทาบุญนะโดยเฉพาะยิ่งนี่แะพระสงฆ์เป็นแนวหน้าไม่ไม่บอกแค่ไโดมจุดโดมก็ลงไปตามทางนะพิธีกรรมจุดธูตจุดเทียนเผาวัดมื่อไม่นานมนีไม่บสจังหวัดไรนาะเริม่มอีกแล้วสร้งางเพิ่งสางเสร็จใหม่ๆพึ่ง ติดทองตัดลูกดิมิตใหม่ๆอีกที่ด้วยน่ะไม่จีดอันเดียวมันไม่โบดได้อ่ะแต่ทางออกมัน ง, ง่ายประเทศไทยไฟฟ้านัดวงจรหรือไม่มีเรื่องก็เลยจบเพราะฉะนั้นจาาให้เน้นนะภาคําบุญนะบุญนะพาไปถ้าไม่มีบุญบาปพาไปใครอะเกิดมาเพื่อมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไหมมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกับบ้านเก่าด้วยบุญ มาได้บุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วรูไ้ไหมบาปอะ่ะไม่ทำบุญเสียก่อนไม่รู้ลองบาปถ้ารู้บาปไม่โกหกกันประเทศไทยนะโกหกป็นป้อนลอกลวงโคดองคนเชื่อก็เชื่อเขาโกหกแต่เนเป็นข่าวเป็นข่าวแททุกวั น, ท, วนทุกวันมิสไปโกหกคนเท่าคนแจกโกหกน่นโกหกนี่โกหกเพื่อนโกห ก, ก, ห ก, ก, หกอะไรที่ดังๆหน่อยก็คือโกหกให้ทำอาหารให้ เข้าวหอ่อข้าวห่สร้างจ้างทำข้าวหอหมื่นหอ่อทุกวันทุกวันนะน <c oughs> ไม่ได้ทำวันเดียวตัวได้จะจ้างนานนะทำเสร็จแล้วไม่มาเอาเห็นไหมโกหกกันไหมคนเชื่อก็เชื่อคนโกหกก็โกหกเหรอก็เพราะไม่ได้ทำบุญนั่น <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละไม่มีปัญญา <c oughs> เขาพูดอะไรก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม ah e wa, ่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่เขาเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมา ไม่เชื่อทำไมเขาเขารู้จักไหนคนโงอเขาให้เชื่ออะไรให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพาทำอะไรพาดูลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าที่ตรรูธว่าอะไรดูลมในท้องตรงไหนเราอยู่กับลมทำไมไม่ดูไม่ได้ซื้อไม่ดูฉันทำไม่ได้นั่นฉันไม่สงบฉันทำไม่ได้นั่นตั้งตั้งที่ยังไม่ทำนะถ้าไม่ทำจะก่อนตรรูหรือว่าสงบหรือไม่สงบ ต้องเชื่อพุทธเจ้าชกเกินยิ่งกว่าความสงหบไม่มีถามลงไปที่ถามหัวใจของเราสงบรู้ไม่สงบหบชอบิดยุ่งนั่นแหะคนเราชอบยุ่งพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมสอนญาติโยมสอนคู่สอนคนสอนญาติโยมทานศีลภาวนาสอนให้คนปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าหาหกปีจึงได้ตัดตรูปไม่ใช่หาวันหนึ่งสองวันหาที่ไหนได้แล้วติดโสมมนุษย์สาวติลาโกกันได้เกิดเป็นมนุษย์ราดเสิ็ติดชั้ง พุทธสมุปปาดังทนะั้งได้พวกพุทธสนาทั้งได้จิดถังสัตยธรรมัตตบังได้ฟังทำคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วขาดอย่างเดียวคือการจะเดินตามทางของพระกุฎเจา้าเหมือนอาหารกายใครไม่บอกไม่เคยบอกว่าฉันพบหน้าชาติหน้าฉัน จ, จี่จะรับประทานหลวงปูนะ่บอกเวลาไหนทานทานกันเวลาอาหารใจละ่ะทำอะไรนิดหน่อยนิพพานอนภะริโยโหตุนาคเตกาเล พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดูสวรรค์นิพพานพบหน้าชาติหน้านะปัจจุบันนังไกโยธรรมังให้ดูปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันปัจจุบันนังไกโยธรรมังให้พิจารณาโยนิโสมนติการน้อมเข้ามาดูที่ปัจจุบันแม้นั้นเราทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดหาที่เกิดไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณธรรมมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์คืออย่างน้อยที่สุดสิ้นห้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระไตรสนากรมสามประการถ้าขาดอยูนี้แล้ว เอบจะพูดทั้งสี่เป็นที่หวังได้ไม่เชื่อพระเจ้าเถอะไม่เชื่อเหรอถ้าไม่ทํำบุญไม่มีปัญญาคาบตัวเยว อ, อาการรู้สวรรค์นั่นเจ้า ก, กรรมนายเวรเขาไปคอยถามแล้ ว, วพัฒนตรังจิดตังธรรมชาติใจทุกดวงจากเกิดมาเป็นมนุษย์จากภพพุทธนาจากปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่พอเกิดมาแล้วไปหลงร่างกายพราฮาเวเปรรจักขันธาขันห้าพระละ ห, หนักหนักหรือเบาถามใจของเราไม่ต้องไปถามที่อื่นแล้ว ดูซิหาวันจะขึ้นยังรุ่งไปวัดไปทําบุญไปวัดทำบุญขอนแต่ของมาให้พระยุ่งก็ว่าทําบุญอีกถ้าไปทําบุญต้องทำไหว้พระนะบูชาก่อิเมน่าจักรอยานะัพูททางํามังกลจริงอย่าไปทิ้งอิมินานะเพราะเราได้บูชาอันดับแรกไม่ต้องไปหาดอกไม้มาประดับประดาให้วุ่นวายแล้วมันผิดศีลมาลากันทะวิเลว่าอะไรล่ ะ, ะต้องโกหกต้งรับศีล น, นะ ห้มามบัจปดาปูชาดอกไม้รูปไล่ของหมอยีติกรรมทางพุทธศาสนาดิบหน่อยวัฒนธรรม้าพุทธมหมอรสถ์คบกงินตามวัดตามว่าบวชหน้าคนเดียวแห่กันไม่รู้กี่วันกี่คืนว่งร้อมกันประเทศไทยยุ่งเห็นมัน <c oughs> ห้ามแล้วทุกวันห้ามไม่ให้มีมหมอรสถคบวันคบ ง, งินตามวัดห้ามไมให้นุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัดไม่มีฮิริความจึงควรละอายต่อบาปมืองไทยเมืองพุทธ งามอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ อ, มมอะไรเสื้อไม่มีแขนกางเกงไม่มีขาหลอกทุกวันต่างประเทศเขามีที่อยู่ที่ดูแต่ประเทศไทยโชวอยู่วันยังข้ า, ขามคืนยังลุ่งกันานั้นแหละเดยอะกว่าลุงกูอาชีพการมันเยอะอาชีพกรรมเยอะแยะน่ยเนื้อไปลอกเขาคงคงเยอะเสือหิวมันเนื้อไปลออมันจะอยู่ได้ยังไงก็พังกองออกมาสิวิจารกองไม่กองเล็กนะ่ะวิจะไอ้เนื้อสดๆไ ป, ปลอกเขาลอกลวงเขา จิเล่ห์พังออกมาจิเล่หพังกงได็กก็ไม่กลัวแล้วทถานที่กองขังนะภากไหวอยากให้เน้นหนักภาคทําบุญทานศีลบุญทานศีลบุญว่าทําไมหระกตอนในนกแก้วก็ท่องได้แต่เราดูไหมเราดูบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่นั่นสวันในอกนรกในใจให้พริอาจาเน้นหนักภาคเนี่ยมากมากนะหลวปู่มาก็ไม่มีอะไรหรอกอยากเน้นหนักใช้ภาคปฏิบัติบูชาหรือคําว่าทําบุญ ม, มันได้ซื้อถ้าได้ซื้อหลวงปู่มไม่บอกได้ซื้อไหมเมื่อกี้นี่ดูลมเขาออกใจอยู่กับลมถ้าไม่มีลมใจกว่า น, นี้แล้วนี่แหละตัวเราตัวกูอยู่ไหนไม่หีบค่ะดูสิคนเสียชีวิตอ่ะผมเก็บคนป่วยด้วยไหนผมกูขนกูเล็บกูฟันกูอยู่ที่ไหนเผาทิ้งหมดเขาใส่ปากให้ก็ไปขอขึ้นมาอีกได้อะไรไปล่ะเวลาหืมหง่อยโอ้หายแทบลมแทบตายเขาใส่ปากให้เออเมื่อวานนี้ย้ายย้ตาตา ได้ปากให้ขอขึ้นน่าเห็ดขนถุงนะได้อะไรเราเกิดมาแต่ต so, ัวป so, ่าจะโมเมาโลรมากไปถึงไหนเวลาตายไม่เห <Zone> ็นได้อะไรไปมีแต่กรรมทำไว้ได้ตามตัวตัวคือใจเคยดูใจไหมแล้วแต่เกิดมาเคยดูไหมเรื่อหน้าดุงกุศลกุศลได้จมลูกหลานญาติพี่น้องได้เสียสละมาทำทานก็ดีรับสินก็ดีเลือนเมตตาภาวนาตามหลักตามคาสั่งสอนของพระเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศล คุณคุณส่วนนี้บุญคุณส่ของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงหลวงปู maison, ่หลวงพู่ได้ปฏิบัติมาแล้วก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอกตนได้ยมรับหลานได้ดีพี่นอกก็จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกข์โศกโรคภัยทำงานถึงไดกัเงินจึงได้วาสนาถึงหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาะในหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงฝากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่เห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานด้ปัจจุบันในชาตินี้เธอสาธุตาวริวาปุราปริปุเรนติตากลางเอวันเมวัยโตจินังเปตานางังกุปกะปะติ ดสิตังปิสิตังตุมังคิพเมวะสตุสัเพปุระยนตุสังเกาดันโทเปนาราโตจขะมณีโฆติราโจะ มิราณโนเดชโยยัสวาโมติยัคยาุ